ตามหลักธรรมชาติความเชื่อเป็นเพียงแค่เรื่องที่เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นและเชื่อเอาเองว่าเป็นอย่างนั้นและถูกบอกให้เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นและถูกปูกฝังให้เชื่อตามนั้นแล้วยึดถือหลักความเชื่ออย่างนั้นออสืบมาหลายชั่วอายุคนจนยึดถือว่าหลักความเชื่อนั้นเป็นความจริง เมื่อยึดถือหลักความเชื่อว่าเป็นหลักเ ป, เป็นความจริงเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็ปิดกั้นการรู้ธรรมทางศาสนาเพราะหลักสัจธรรมนี่หนึ่งเดียวคือหลักคาสอนทางศาสนานี้เท่านั้นหากหลักคาสอนทางศาสนานี้หลักคาสอนใดไม่ได้สอนเรื่องราวที่เขาเชื่อกันอย่างนั้นอย่างนี้ไว้ให้เข้าใจเลยว่าความเชื่อเหล่านั้นไม่ใช่ความจริงแต่หลักคาสอนที่กล่าวสอนทั้งหมดที่ถูก กล่าวซ้อนไว้ในหลักคําสอนทางศาสนาเนี่ยพุทธศาสน า, าเราเนี่ยให้ยอมรับตามความจริงว่าความจริงอยู่ในคําสอนทางศาสน า, านี้เท่านั้นเขาเรียกว่าเชื่อปัญญาการตัดสู่จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นแล้วความเชื่อที่ไม่อยู่ในหลักคําสอนเป็นความเชื่อที่ไม่ตรงกับความจริงความเชื่อที่อยู่ในหลักคําสอนเป็นความเชือเ่อที่ตรงกับความจริงแม้เราจะยังไม่เห็นความจริงนั้นด้วยตัวของเราเองก็ตาม แต่เราเชื่อปัญญาการตรัดสู้จริงของพระสมณะสมุทรเจ้าก็ได้ชื่อว่าเป็นการเชื่อความจริงซึ่งมีอยู่โดยหลักธรรมชาติโดยโดยความจริงโดยเป็นสัจจ์โดยตัวของธรรมชาตินะั้นความเชื่ออย่างนี้จะทําให้เราไม่ไปตกไปสู่อ บ, บายภูพหรือไม่ตกไปสู่ในข้างของมิจฉาทิฐิและเมื่อใดก็ตามที่มีสมมติทิฐิเมื่อนั้นก็จะสามารถเข้าถึงสัจจ์อันเป็นที่พ้นทุกข์ได้ แต่เมื่อไรก็ตามที่ยังยึดถือข้านของมิจฉาทิฏฐิซึ่งคือหลักความเชื่อที่นอกหลักคำสอนเมื่อนั้นก็ไม่มีทางเข้าถึงทรรอันเป็นที่พ้นทุกไดไ้ไม่หรอกไม่เกี่ยวจะตายสงบหรือไม่สบบไม่เกี่ยวพระพาหิยะเป็นอารหัรต แต่ตายโหงผูกพวกิจตายเป็นอรหรันมันไม่เกี่ยวกับจะตายท่าไหนตายแบบไหนตายยังไงไม่เกี่ยวเกี่ยวอยู่ก็ว่าจิตรู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดเป็นสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิเพราะสิ่งเหล่านี้จะถูกสะสมไว้เป็นอุปนิสัยและเป็นคุณสมบัติติดอยู่ในภายในและคุณสมบัติของจิตที่ถูกอบรมสะสมไว้มาเนี่ยมันจะเป็นตัวส่งผลให้จิตไปสู่ภพ กายจะตายอยู่ท่าไหนเป็นเรื่องของกายก็จะแสดงออกก่อนที่จะจุติจุติคือดับอุปติคืออุบัติคือเกิดจุติดับปั๊บอุบัติทันทีและคตินิมิตจะแสดงตอนที่จุตินั้นก่อนจะจุติขณะจิตสุดท้ายนั้นจะมีคตินิมิตเกิดขึ้นปรากฏเพื่อดึงจิตให้ไปสู่การอุปาติคืออุบัติคือเกิด แล้วสิ่งที่จะเป็นคตินิพิตคือสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดรวมลงสู่จิตดวงเดียวที่จะไปสู่พบชาติก็คือการกระทำทั้งหมดการกระทำทั้งหมดเรียกว่ากรรมกรรมจึงเป็นตัวนาไปสู่พบชาติไงเพราะนั้นชีวิตจึงเป็นไปตามกรรมแม้ปัจจุบันเองชีวิตก็เป็นไปตามกรรมคือการกระทำที่เราได้กระทำไม่ไม่ได้เป็นไปตามสิ่งใดเลยเป็นไปตามกรรม ก็กรรมบันดาลไม่ใช่ว่าไม่มีการโดนบันดาลนะมีแต่สิ่งที่โดนบันดาลนั้นคือกรรมบันดาลแล้วกรรมบันดาลนะกรรมอะไรมาบันดาลก็กรรมที่เราทําไว้นั่นแหละบันดาลจะได้ดีก็กรรมดีบันดาลจะได้ชั่วก็กรรมชั่วบันดาลไม่มีอะไรบันดาลถ้าไม่ใช่กรรมกรรมก็ไม่ใช่เรื่องลึกลับก็คือสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันเนี่ยเราทําอะไรล่ะก็อันนั้นก็จะบันดาล เรากินข้าวมันก็จะเกิดบันดาลให้เกิดความอิ่มนัน่คือการบันดาลอย่างหนึ่งเนี้ยกินกินข้าวแต่ก่อนที่จะกินก็ต้องทำใช่ไหมทาอาหารใช่ไการทำนั่นแหละคือกรรมแล้วขณะที่ทำเป็นกุศลหรืออกุศลก็อยู่ที่จิตปลารบอะไรปลารบกุศลก็เปืดเป็นกุศลปลารบอกุศลก็เกิดอกุศลมันมันก็ขึ้นอยู่ กับว่าจิตของเราดวงเงียวสิ่งไหนและปรุงแต่งอะไรกุศลหรืออกุศลและหากมีปัญญาอยู่เหนือกุศลอกุศลคือรู้การปรุงแต่งขณะแห่งจิตที่กำลังกระทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทาพูดคิดรู้การปรุงแต่งของจิตในขณะนั้นว่าสิ่งนี้เป็นกุศล ส, สิ่งนี้เป็นอกุศลกุศลก็คือสังขารอกุศลก็คือสังขาร สังขารทั้ทไหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้ทงหลาทั้งปวงไม่คงทนหาวบอนแม้บุญก็ไม่คงทนหาวบอนบาป ก, ก็ไม่คงทนหาวรอเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสภาพแห่งการกระทําของคนกระทําบุญได้บุญกระทําบาปได้บาปกระทําอะไรก็ได้อันนั้นกระทําดีก็ได้ดีกระทําชั่วก็ได้ชั่วทําสิ่งใดได้สิ่งนั้นทราบการปรุงแต่งของจิตในระหว่ า, างแห่งการปรุงแต่งขณะแห่งจิตนั้นแล้วจะตัดสินที่จะกระทําอะไรลงไป ในขณะที่กระทำไม่ว่าจะเป็นการกา ร, การทำทางกายวาจาหรือใจการกระทำเหล่านั้นทั้งหมดจะถูกรวมลงสู่การปรุงแต่งเพื่อกระทำและจะตัดสินเพื่อที่จะกระทำทีนี้นจิตนี้มีดวงเดียวและก็เป็นดวงเดียวที่ดับไปเกิดใหม่ดับไปเกิดใหม่ดับไปเกิดให ม, ไไม่ไม่ใช่ดวงเดียวอยู่ยันโคงที่และขาวบอ การอยู่อย่างคงที่และาวรของจิตไม่มีในธรรมพษษื้นศาสนามีแต่เกิดระดับ<ๆ>เกิดระดับเกิดระดับ<ๆ>อธิบายเขาใหญ่<ๆ>อ่อนวอนจะอธิษฐานอนเดียวมั้ครับอ่อนวอนหมายถึงว่าปราธนาอยากจะได้สิ่งนี้แล้วไปอ้อนวอนนะและไม่ยอมลงมือทําให้ได้ตามที่ตัวเองต้องการอยากกินข้าวแต่ไม่ยอมไปหุงข้าวไปอ้อนวอนเพื่อให้ข้าว มามามาอยู่ในร่างกายเราอ่อนวอนแล้วรอผลดลบรนาาการอธิษฐานคือการตั้งสิ่งใดสิหนึ่งและตั้งคือตั้งความปรารถนาไว้ในใจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างหรืออย่างไหนก็ตามตั้งใจไว้แล้วแล้วลงมือทําตามที่ได้อธิษฐานคือตั้งใจไว้นะสิ่งที่ตั้งไว้ในใจคือสิ่งที่อธิษฐานไว้นะเข้าใจแล้วลงมือทําตามนั้นคือการอธิษฐาน แต่อธิษฐานได้แล้วไม่ทำตามเรียกว่าอ่อนวอนไม่ทำตามที่อธิษฐานไว้คือออนบอนออนวอนก็ออนบอนป้าอี่ยนั้นไม่เกิดประโยชน์เราหิวข้าวแล้วเรามานั่งอ้อนวนเราขอหเิ่วข้าวแล้วเรามานั่งอ้อนวอนเราขอให้ข้าพเจ้าอิ่มมันจะได้ผลไหมเ้าวแล้วรอวราเามนะไราลรางอ้อนวอนกราขาเจจะได้ผเน่อนอา้่ นอนอยู่โรงพยาบาลพยาบาลเอาเอาข้าวมาป้อนในปาก <Contain S 1> หากินเองไม่ได้อันนั้นนะอันนั้นก็เป็นหน้าพี่อันนั้นก็พอได้ก็เอาอย่างนั้นเอาตอนนั้นอ่ะได้อยู่เอตอนที่ทําอะไรไม่ได้แล้วนะ huh. แต่ตอนที่ยังยังดีอยู่นี่แล้วไปนั่งอ้อนบอนนี่ก็ไม่ได้ <S <S บสสิิ่ไม้มอะไรมันมันมันก็่อ มันมันก็มีเหตุบางอย่างที่ที่ถูกแต่มันไม่ใช่ความจริงแล้วถูกทั้งหมดไหมก็ไม่ถูกทั้งหมดใช่ไหมละ่ะเป็นบางคนทำไมถึงเป็นบางคนมันก็ไปจาเหตุอีกนั่นแหละว่าเหตุมาจากอะไรทำไมคนนี้ถึงถูกเหตุมาจากอะไรทำไมคนนี้ถึงไม่ถูกมันก็มีเหตุแล้วเหตุนั้นคืออะไรเหตุก็คือเรื่องราวของเฉพาะคนน่ะเรื่องราวที่จะตัวของคนคนนั้นที่จะดึง ดึงวิถีแห่งการอ้อนวอนของเขาไปสู่การได้มาหรือเหตุบางอย่างของอีกคนคนหนึ่งที่ดึงเขาไปสู่วิถีของการไม่ได้มันก็เป็นเหตุของใครของมันไม่ได้เหมือนกันไปขอต้นไม้ต้นเดียวกันบางคนได้บางคนไม่ได้มันก็คือเหตุของคนคนนั้นไม่ใช่เรื่องของต้นไม้ที่จะคอยบันดาหากต้นไม้สามารถบันดาได้จริงหรือมีอะไรบางอย่างในต้นไม้สามารถบันดาได้จริง มันก็ต้องบรรดาให้ได้หมดทุกคนเสมอเหมือนกันหมดเพราะคนเห็นก็หัวหมูไปเหมือนกันหมดใช่ไหมล่ะผลไม้ก็เห็นเอาไปเหมือนกันหมดจุดทูบก็เห็นจุดเท่ากันอยู่ีทําไมบางคนได้บางคนไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรพิเศษมันไม่มีมันเป็นเหตุของคนคนคนนั้นที่จะได้กับเหตุอีกบางคนที่มันจะไม่ได้มันก็เป็นเหตุเฉพาะคนไม่ไม่ต้องไปสงสัยห้า เราติดอยู่กับการรอผลดลปนานอย่างนี้มันจะทําให้เราตกลงไปอยู่ในวิถีของความหลงผิดและจะเป็นไปเพื่อควา ม, มงมงายพาุทธศาสนาเป็นศาสนากับจัดควา ม, มงมงายออกจากชีวิตคนเราต้องศึกษาคําสอนพระเจ้าให้มากเพื่อจะได้ทําลายควา ม, มงมงายเรามงมงายได้ตลอดเวลาหากเราไม่มีความรู้หากเราไม่มีปัญญาเราสามารถมงมงายได้ตลอดสิ่งที่เราได้เห็นสิ่งที่เราได้ยิน สิ่งที่เราดมกินสิ่งที่เราลิ้มรสสิ่งที่เกิดกับจิตล้วนแล้วแต่ชักนําพาให้เรางงงายได้ตลอดเวลาและเราก็พร้อมที่จะงงง่ายเพราะความหลงมันมีอยู่ในจิตเราอยู่แล้วความหลงกับความงงงายมันจะเข้ากันได้ดีเมื่อหลงก็เป็นไปตามความงงงายที่มีอยู่เพราะความงงงายกับความหลงมันไปด้วยกันมันดึงใจกันไปได้และเข้ากันได้สนิทจึงเรียกว่าหลงงงงายหลงจากภายใน จึงเกิดเป็นความงงง่ายในภายนอกนะเพราะฉะนั้นทำคําสอนผู้เจ้าจึงต้องไปแก้ความหลงเมื่อแก้ความหลงได้แล้วมันจะเป็นงงงายทําไมในสิ่งที่เขามงายกันอยู่มันก็ไม่งงงงายมันไม่หลงอ่ะแก้ความหลงได้ก็แก้กอย่างได้ทั้งหมดในโลกนี้ไม่งงงายไม่กระทั่งยึดถือตัวเองว่าเป็นตัวเองเพราะอะไรมันเป็นตัวเราได้ยังไงเป็นดินเป็นน้ำไฟเป็นลมทาคําสอนผู้เจ้าสอนแก้อยู่แล้วในจิต เอาคำสองพี่เจ้ามาเป็นที่ตั้งมาเป็นหลักไช่ไหมหล่กอะไรคือดินกระเส้นผมขนเล็บฟันดังเนื้อเอ็นกระดูเกเชื่อในกระดูกมาม่วใจตับคุดไตปอดเส้ใหญ่เส้นน้อยอาหารใหม่อาหารเกา่าเถียงซิว่ามันไม่ใช่ดินเถียงไหมเถียงได้ไหมว่าสิ่งที่พูดไป น, นี่ไม่ใช่ดินก็ลองถอนออกมาสักเส้นดิเส้นผมแล้วก็จุดไฟเผาดูสิมันเป็นอะไรมันก็เป็นที่ฝุ่นขี่เท่าใช่ไหมที่ฝุ่นที้เท่ า, ทททาสลายไปไหนละ่ะก็ไปสู่ดิน เคียงไม่ได้ใช่ไหมเนอแล้วทําไมยังยึดถือว่าเป็นตัวเองอยู่อีกหลงไงจึงยึดถือเอาทำไมยังหลงก็ยังรู้ไม่พอรู้แค่เนี้ยยังไม่พอรู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้เรื่องเดียวนี่แหละดินร่างกายไปดินน้ําไปลมดินน้ําไปลมรู้แต่ละวันแต่ละอื่นรู้แต่ละครั้งไม่เหมือนกันที่นี่รู้ย้ายิ่งย้ารู้ยิ่งรู้มากรู้ยิ่งไปอีก มันมีแต่ความรู้ยิ่งเห็นจริงร oui, ู้ยิ่งเห็นจริงไปอีกเรื่อยๆเๆเห็นความจริงชัดๆๆๆๆเกิดรู้อีกรู้อีกรู้อีกรู้จนทําลายความหลงในจิตได้ไม่หลงว่ากายเป็นตนตนเป็นกายอีกเป็นดินน้ําไฟลมแท้ๆดินคือดินน้ําคือน้ําไฟคือไฟลมคือลมเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรจะหลงไปไหนทีนี้เหลือจิตอีกที่นี่ซึ่งเป็นผู้ยังซ่อนความหลงไว้อันละเอียดในภายใน เอ miracle, exactly. in go, ๊ถ้ากายไม่ใช่เราจิตต้องเป็นเราแน่นะอันต no no. äh. ัวเนี้ยแกเก็ไม่อีกจิตก็คือนามสคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนอกเหนือจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วไม่มีเด็ดขาดจิตเนี่ยมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณจึงมีจิตไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณไม่มีจิตเด็ดขาดแสดงว่าจิตก็ไม่มีตัวของตัวเองต้องอาศัยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจึงมีจิต เหมือนกับกายไม่มีตัวของตัวเองต้องอาศยัยดินน้ําไปลง ป, ประกอบ ก, กันขึ้นให้มีผมขนเล็บฟันังเนื้อเอ็นกระดูกยนเยอในกระดูกมาเมื่อใจตับมันฝืนไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีสเสด็จนองเลือดมันเหงือ่อมันค่นน้าตาไปเอามันน้ําลายน้ำบุ่มน้ำไข่คอ้นน้ำปัสสาวะดีอะไรไฟลมอะไรเนี่ยตามท่า ป, ประกอบ ก, กันขึ้นจึงมีกาย tougher. หากเราพิจารณาเห็นการแยกของกายออกความหลงผิดยึดถือว่ากายเป็นตนมันจะมีได้ยังไงหากเราพิจารณาจิตลงไปอีกมันเหมือนกันอีกที่นี่ ที่นาแยกอันนี้คือเวทนาอันที่เกิดขึ้นอยู่ในภายในจิตเราเนี่ยเป็นสุขกตามเป็นทุกขตามไม่สุกไม่ทุกขตามเป็นเวทนามันคือเวทนาเขาไปรู้อันนี้เรียกว่าเวทนานี้คือเป็นเวทนานี่คือเวทนาเกิดขึ้นนี่คือเวทนาตั้งอยู่นี่คือเวทนากําลังปรุงแต่งนี่คือสุขกําลังปรุงแต่งนี้กำลังทุกกาลังปรุงแต่งอยู่อย่างนี้รู้อยู่อย่างนี้ว่าเป็นเวทนาเมื่อรู้เวทนาเป็นเวทนามันก็คือเป็นเวทนาจะไปเปลี่ยนเวทนาให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เวทนาใดเกิดขึ้นก็รู้ตามอาการอย่างการเกิดของเวทนา เบธนาใดดับไปก็รู้อาการดับไปของเบทนานั้นอย่างรู้ชัดรู้ชัดการเกิดรู้ชัดการดับของเบทนารู้ชัดการเกิดรู้ชัดการดับของสัญญารู้ชัดการเกิดรู้ชัดการดับของสังขารคือการปรุงแต่งภายในรู้ชัดการเกิดรู้ชัดการดับของบินญาณเมื่อรู้ชัดแล้วจับอาการที่รู้ชัดนั้นให้รู้อาการใดอาการหนึ่งไว้เป็นฐานในจิตจะดูอะไรก็ได้นามขันเลือกของจิตนี่นะ ให้รู้อาการเกิด อ, อาการดับนั้นติดต่อเนื่องกันไม่ขาดสายทั้งกลางวันและกลางคืนหากดูได้อย่างนั้นถึงจะสามารถทําลายความหลงในจิตได้มันถึงจะไปกระทุ้งความหลงที่มันแฝงอย่างละเอียดอยู่ในภายในได้ต้องดูเกิ ด, ดดูดับดูเกิดดู ด, ดับในจิตอาการที่เกิดขึ้นจริงดับลงไปจริงต้องเห็นจริงๆนะเมื่อความหลงทางกายไม่มีตัวยึดเมื่อความหลงทางจิตไม่มีตัวไปจับยึดมิฉาทุธิไม่เกิดขึ้น ที่จะเข้าไปจับยึดกายหรือจิตมันก็ทําลายทําลายอะไรทําลายสกายยทิฏฐิวิจิกิจชาสีรพตปรามาจากนั้นก็จะจิตก็จะสัมผักกสกระแสพันิพากระแสพันิพาก็จะดับคบชาติที่8ของจิตดวงนั้นก็จะพี่นาเห็นสังโยชน์ที่ตัวเองละได้แต่สังโยชน์ที่เหลืออยู่และก็จะรู้จักการภาเพียนเพื่อเข้าไปทำลายสังโยชน์ที่เหลืออยู่นั้นว่าควรจะภาเพียนไปยังไง และเห็นอริยสัจ ส, สี่รู้การปิดอบายยปุิได้อย่างท้าวอนนั้นเป็นเป็นความรู้ชนิดพิเศษที่เกิดขึ้นในจิตของพระอริยเจ้าเท่านั้นจิตบุตรชนจะไม่รู้อย่างนี้นะเข้าใจเข้าใจไ้ยอธิบายเออเข้าใจดีความเข้าใจนี่แหละคือข้อปฏิบัติคือเอาความเข้าใจนีเนีลยไปปฏิบัติใช่ เหมือนเห็นเคยมาแลั้เคยมาใช่ไหมเรื่องแรกเลันะ <c oughs> เออเหมือนคือคุ้นๆนะอันนี้แต่สองนี้ยังไม่เคยใช่หม <c oughs> เออแต่นี่นีคุ้นๆเ <c> ร <oughs> <c oughs> ื่งนแหลกนั่น น, นเอ้ยยังไม่แลกเท่าไรแหลกของทางลำปางไม่ใช่แหกแหกแบบตอนบูบูนะ <c oughs> ไไปไหรู้ไม่พอมันก็กล้าไม่ได้รู้พอมันถึงจะกล้ารู้จริงๆนะไม่ใช่รู้แล้วมันก็คือหลักที่เราจะต้องคิดคิดอยู่คำนวณอยู่ในใจอยู่ตลอดอย่างนี้อั น, นี้ไม่ใช่เราเหน่อยแต่มันก็ได้แตคิดไปแค่นั้นนะคะมันเหมือนกับมันทึกอยู่ที่ เราเข้าใจความจริงแบบลึกเข้าไปในจิตหรือเปล่าไม่น่าจะมีอะไรเองเพราะเวลาอยู่ปกติมันจะคิดแต่เองใช่ค่ะงั้นก็คิดต่อไปอีกใช่มันต้องมันต้องรู้จนพอถ้ารู้จนพอถึงจะรู้ว่ามันจะก้าวไปข้างหน้ายัางไง แสดงว่ายังรู้ไม่พอกําลังของการรู้นะมันยังสะสมไม่พอถ้าถ้ายังไม่พอปั๊บเนี่ยมันจะเกิดจังหวะหนึ่งของความเบื่อหน่ายของจิตขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่เบื่อหน่ายแบบนี้พิธาเนะ่เบื่อรู้นะรู้กับคิดนี่คิดเพื่อรู้รนะใช่คิดอะไรก็รู้อั น, นั้นใช่ไหมล่ะถูกต้องไหม ถ้าคิดท่าสีดินน้าไปลงก็จะรู้ที่ถ้าสีดินน้าไปลงถ้าอย่างเราคิดอยู่แล้วเราไม่ไม่เราจะทําการคิดเนี่ยแต่เราไม่ทำมันไม่คิดก่อนก็คือคิดนั่นแหละคือทําแต่เราไม่ไม่ทําก็มีบางครงะว่าจะทำแต่ไม่ทำแล้วมันก็อยากไปไม่ทําไม่ทําอะไรไม่ทำตามความคิดเลยคแล้วทําไมไม่ทําตามความคิดคําว่าคิดเพื่อให้รู้คือคิดเรื่องท่าสีให้ติดต่อเนื่องกัน รู้ให้จิตรู้รู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อีกจนเกิดรู้แบบยานขึ้นอันแรกรู้แบบวิชาเข้าใจวิชาคือเรียกเรียกว่าเรียนรู้การเรียนรู้เรียนรู้ว่าเส้นผมขนเล็บฟันแดงเลืเอ็กระดูกพวกนี้แยกออกเป็นห้าสีดินน้ำไฟลมอย่างเงี้ยหขั้นตอนนะเรียกว่าเรียนวิชาพอใช้การเรียนรู้แบบวิชามากเข้าวิชานี้จะสร้างยานขึ้นมาเรียกว่ารู้ตามความเป็นจริง ยางรู้ตามวิธีจะเกิดตะกอให้เกิดตัวสติระลึกรู้ระลึกรู้อยู่เสมอว่ากายนี้คือท่าสีดินน้ำไฟลมแล้วสติจะทำหน้าที่ไม่หลงลืมในสภาวะธรรมไม่มีการหลงลืมว่ากายนี้เป็นตนหรือไม่เป็นตนไม่หลงลืมว่ากายนี้ธาตุแท้แล้วคือดินน้ำไฟลมไม่มีการหลงลืมเด็ดขาดอย่างเงี้ยสติจะทำหน้าที่ไม่ให้หลงลืมเราเพว่าเราจะไม่หลงยืมไม่ทำ ไม่หลงห อ, อุบายอะไรนะไหมคะที่ว่าให้คิดอยู่ตลอด ไ, ไม่ลืมเลยอุบายก็คือเพียนที่จะพิจารณาคิดตอนแรกคิดไปสักอสองสามรอบอันนี้เขาเรียกว่าคิดแล้วก็รู้ตามคิดนั้นอ่ะสองสามรอ บ, อ, บอันนี้เรียกว่าคิดแต่ถ้าคิดแล้วคิดอีกคิดย้ำๆซ้ำๆอยู่เรื่องเดิมเขาเรียกว่าพิจารณาพอเข้าใจยังสิ่งที่จะทําให้เป็นอุบาย เพื่อให้เกิดยานเกิดสติเนี่ยก็คือพิจารณาให้มากเดิมเดิมนี่แหละไม่ใช่ไปคิดรมากเป็นเรื่องที่มันทําให้ทุกข์ใจแต่ไอเรื่องที่กรรมกรรมฐานนี่ไม่ไม่คิดให้มากฮะไม่ต้องไม่ไม่หมไม่ต้องเอาเรื่องเดิมเดิมนี่แหละแต่เรื่องเดิมเดิมเหมือนกับขุดลุมเราจะให้ลุมลึกกี่เมตรถ้าสมมุติว่าเราจะให้ขุดลุ่มลึกเนี่ยสองเมตรนะ เราขุดลงไปก็ที่เดิมนี่แหละขุดต่อไปอีกก็ที่เดิมนี่แหละแต่มันจะลึกลงไปอีกไม่ใช่ว่าเราจะขุดหรือไม่ลึกสองเมตรขุดนี้ทีหนึง่งไปขุดอีกที่นึง่งอีกที่หนึง่งมันจะได้หลุมไหมไปขุดที่ใหม่อีกที่นึง่งเนี้ยมันจะได้หลุมหรือเปล่าก็เลื่อกเดิมนี่แหละกับผมคนเล็ฟันนะเลือเอกลุกจี้มันลงไปตรงนี้ขุดเหมือนคนขุดดินเนี่ยเข้าใจไหม พอถึงสองเมตรแล้วก็พอแล้วนี่มันก็รู้ว่าพอถ้ายังไม่ถึงสองเมตรมันก็ยังไม่พอไงรอกจอากจว่าเราจะเอาสามเมตรสี่เมตรก็ขุดลงไปอีกดินะมันเป็นอย่างนี้ลืมก็เผลอไปก็หายเผลอไป ก, ก็ตั้งไหมก็ขุดอีกวันนี้เหนื่อยวันต่อไปขุดลงไปอีกให้ได้ครบขุดจนถึงจุดจุดรู้ของมันจุดเรียกว่ายานจุดเรียกว่า ส, สติ เพราะรู้ตามความเป็นจริงได้ชื่อว่าญาณเพราะระลึกรู้โดยไม่หลงลืมในความจริงเรียกว่าสติเพราะเรียนรู้เรียกว่าวิชาเรียกว่าการเรียนรู้ปัญญาคือรู้ชัดรู้ชัดนะรู้ชัดเรียกว่าปัญญารู้ชัดชัด่แมแจ้งเลยว่า ก, กายเป็นดิน เป็นนะเป็นไปเป็นลมแน่แนชัดชัดแบบไม่ไม่สงสัยอะไรอีกไม่ทำความสงสัยให้งง ง, งวยให้หลงติดแต่ไม่ลงติดแค่ขนาดนั้นแหละเข้าใจแต่มันยังทำลายสังโยตไม่ได้ถ้าจะทำลายสังโยตได้ก็ต้องพี่นาจิตต่อเพื่อทำลายสังโยตเพราะยังมีตัวหลง แ, ลแบบละเอียดอยู่ยก็พิจารณาอย่างนี้แล้วก็ตัดเรื่องเราที่ไม่มีสาระสาคัญออกไปจากการปฏิบัติเสีย เอาแต่ตัวนี้ที่เป็นสาระในการปฏิบัติยืนเดินนั่งนอนเพื่อเจ้าบอกว่าจะสําเร็จเพราะความภาคเพียรไม่ใช่สําเร็จเพราะขี้เกียจคิดซ้อมสองรอบขี้เกียจแล้วพอแล้วมันก็ไม่สําเร็จจะหวังเอาไว์ถ้าถ้าทำอย่างนั้นไปถามคนที่เขาถ้าเป็นถามคนที่เขาเดินไปถึงจุดแห่งความรู้แล้วนามาบอกอสัาทีว่าเขาทํากี่รอบเขาไม่ได้ดับรอบแสนรอบอย่างน้อยไป ล้านรอบก็ยังน้อยไปถ้าจะนับนะแต่เขาไม่ได้นับเพราะอะไรไปมัวนั่งนับทําไมเพราะมันวันเวลาเนี่ยแต่พิจารณากับพิจารณาอย่างเดียวพิจารณาเพื่อไถ่ถอนถ้ายังไม่ถอนอย่าหยุดพิจารณาถอนความเห็นผิดทั้งหมดออกมาถอนความหลงทั้งหมดมันจะยึดเส้นผมเส้นไหนอีกยึดขนเส้นไหนอีกยึดเล็บตัวไหนอีกเส้นผมนี้หรือเป็นเราเส้นผมนี้หรือเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเส้นผมนี้หรือเป็นผู้สุขผู้ทุกข์เส้นผมนี้หรือเป็นผู้รักผู้ชั่น คนนี่หรือเป็นเราคนนี้หรือเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนคนนี่หรือเป็นผู้สูงผู้ทุกคนนีเหรอเป็นผู้รักผู้ช่างเลบเหรอเป็นเราเล็บหรอเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนแลบนี่หรือเป็นผู้สูงผู้ทุกแลบนี่หรือเป็นผู้รักผู้ช่างฟันนี่เหรออเป็นไล่ลงไปที่มันมีตัวพิจารณาตั้งเยอะแยะในกายเราไล่ไปตีลาที่เราจิตมันจะดิ่งลงไปรู้รู้รู้มันยังไม่รู้พี่นาอีกให้มันรู้ อย่าขี้เกียจอย่าให้ความเบื่อหน่ายเข้ามาแทะแทกเข้ามาก็ไลคไนนออไาา่ความเบื่อหน่ายหนีออกไปอยาวเข้ามาความเบื่อหน่ายจะพาเราขี้เกียจเบื่อหน่ายแค่ไหนก็พิจารณายากแค่ไหนก็พิจารณาไม่ว่างก็หาเวลาว่างให้พิจารณาเอาขนาดนั้นเนี่ยมันถึงจะรู้กันมันถึงจะขาดกันไปข้างนึ่งไม่เอาขนาดนั้นไม่ได้การปฏิบัติไปถามครูบาอาจารย์ที่ท่านถึงจุดแห่งความรู้ดูสิมีใครได้มาโดยง่ายนอกจากผู้มีบา ร, รมีใหญ่อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งอย่าไป ไอเราบรรามบ ร, รมีน้อยต้องทําให้มากไว้ก่อนเข้าใจไหมบารมีน้อยต้องทําให้มากเจริญให้มากบารมีใหญ่ก็ไม่ต้องทํามากทําให้น้อยเขาก็ได้นะ <c oughs> แต่คําว่าบา ร, รมีใหญ่ไ ม, ไม่ไม่ได้หมายถึงว่าท่านไม่ได้ผ่านความยากลําบากมาท่านก็ผ่านความยากลําบากมาหนักหน่วงเหมือนกันในภพชาติที่ผ่านมาความง่ายเลยมาอํานวยผลในชาตินี้เท่านั้นเอง แต่ถ้าไม่เคยผ่านความยากลําบากในชาติก่อนๆมาจะมาเอาง่ายในวันนี้มันก็ง่ายแล้วป่านนี้มันก็รู้แล้วป่านนี้ไม่ได้มานั่งถามกันหรอกมันรู้ชัดภายในตัวเองไปแล้วเน่ยถ้ามันมันมันเคยทําแบบลําบากมาก่อนนะแต่ถ้ายังไม่เคยแบบหนักดวงมาไม่เคยแบ บ, แ บ, บลําบากเอาเป็นเอาตายมาชาตินี้เอาเอาเป็นเอาตายถ้าอยากจะสัมผัสกับพระนิพพานเอาให้มันคุ้มกันนี่อยากจะสัมผัสกับพระนิพพานแต่ยังเกียดอยู่นี่ไม่ไหวแล้วเนาะ ขี้เกียจไม่ได้ศาสนาธรรมนี้ไม่ใช่ศาสนาของความขี้เกียจศาสนาของความความภาคเพียนคำว่าเพียนก็มันก็สวนทางกับความขี้เกียจอยู่ในตัวอยู่แล้วคําว่าเพียนนะคทามัวขี้เกียจอยู่ก็ไม่ใช่เพียนเพียนก็ต้องผ่านความขี้เกียจเหยียบความขี้เกียจเดินสวนกับความขี้เกียจไปให้ได้อากาศหนาวๆอย่างเงี้ยต่อมาก็ผมเข้าผมลงเดินจงกรม ฝนตกกาลางลมเดินจงกลมไม่มีอุปสรรคอย่าเอาอุปสรรคมาขวางหน้าอย่าเอาร้อนเอาหนาวเอาเย็นเอาเปียกเอาอะไรมามามาขวางหน้ามักขวางความเพียรต้องไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคไม่ใชเ่เหนื่อยแล้ววันนี้มีภาวนาดีกว่าไอ้ตัวนี้ตัวไรกะไอ้ตัวเหนื่อยแล้วนี่เลยเหนื่อยแล้วย่งวันนี้นอนดีกว่านอนมันจะดีกว่าได้ยังไงถ้านอนดีกว่ามันก็บรรลุกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วเห็นนอนกันทั้งบ้านทั้งเมือง มันจะดีกว่าได้อย่างไงเราแต่ทำมาเป็นนอนในดีเพราะไม่มีกิจที่อะไรจะต้องทําอะไรแล้วพอทํามามากแล้วแต่ก็ไปเดี๋นอนเท่าไหร่อะไรเท่า ไ, ไหร่เราก็พิจารณาทําไปตามเรื่องตามเราที่จะอนุเคราะห์คนจะเปอนุเคราะห์คนเรื่องอะไรพิจารณาเรื่องนั้นขึ้นมาหาเรื่องอนุเคราะห์ถ้าไม่มีเรื่องอะไรที่จะอนุเคราะห์ใครมันก็ไม่มีเรื่องขุดโปขึ้นมา แต่พอมีเรื่องจะอนุเคราะห์คนมันก็มีเรื่องโผล่ขึ้นมาพอมีเรื่องโผล่ขึ้นมาคนคนนั้นก็มาให้อนุเคราะห์จริงจรครับอนุเคราะห์แล้วยังไม่ได้รู้เรื่องก็จะเคาะหัวกันเลยทีเดียวฮะถ้ามันหนาก็เคาะแรงหน่อยเนาะถ้าน้นหนานี่กระเทาะแรงนี่หลุดออกมาเป็นยวงเลยเนี่ยใช่ไหม ใช้กิเลสหนาทำใช้กระทบแบบแรงๆนะกิเลสบ้างก็ค่อยว่ากันนะแต่หนามาทั้งนั้นแหละที่คนเราทำเหมือนกันอย่างนี้ถ้ า, านนมีคนนึงได้นนมีคนนึงยังไม่ได้เป็นเพราะอดีตและชาตที่ส่งมาใช่ไหมความเพียรต่างกันปัจจุบันใจใช่ไหมเงาเอาอย่างนี้ดีกว่านั่งฟังอยู่เนี้ยเข้าใจเท่ากันไหมอาตมาเชื่อว่าเข้าใจไม่เท่ากันแน่ความเข้าใจแต่ละคนไม่เท่ากันแน่ ขนาดความเข้าใจยังไม่เท่ากันการรู้หรือว่าเข้าถึงผลก็ไม่เท่ากันไม่ไม่ไม่เสมอการเกี่ยวสิอดีก็เกี่ยวไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวเกี่ยวแต่สิ่งที่จะเป็นเครื่องวัดและตัดสินมีอยู่ห้าประการหนึ่งคนคนนั้นเชื่อปัญญาการตัดสู้จริงของพระสมมาสมุทติเจ้าไหมเชื่อไหมว่าร่างกายนี้คือดินน้ำไฟลมเชื่อไหมว่าจิตนี้ไม่มีตัวตนเป็นเพียงแค่การประกอบกันเข้าของนามซี แล้วเห็นชัดหรือเปล่านะสองอันแรกเชื่อปัญญาการตัศสรู้จริงของสมัยพระเจ้าสองเป็นผู้มีอาภาษน้อยโรคเบาบางเอา้าเกี่ยวอะไรเ็เกี่ยวเพราะเรื่องนี้สำคัญมากเพราะคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บมากมันก็จะสนใจแต่โรคภัยไข้เจ็บของตัวเองไม่ได้สนใจที่จะรักษาปฏิบัติธรรมสักเท่าไหร่คือไม่มีใจที่จะ พิจารณาทำมากเท่าไหร่สนใจที่จะคอยเ ย, ายาียวยารักษาร่างกายอยู่อย่างนั้นเนี่ยสําคัญมากอันที่สามเป็นผู้ไม่โอ้อวดตนต่อเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยกูรู้ดีกว่ามึงอะไรประเภทนี้ยใช้ไม่ได้ถ้ารู้ดีกว่าไม่เห็นมันรู้สักทีเะไรยังเห็นอยู่เท่าเดิมอะไรประเภทนี้มันมันมีใครรู้ดีกว่าใครหรอกมันมีแต่ว่าใครจะทํามากกว่าใครเท่านั้นเองไอความรู้มันเป็นเรื่องเฉพาะตน สี่ปลาลบความเพียรอยู่เสมอคือตั้งใจที่จะพิจารณาอยู่ตลอดไม่ใช่ตั้งใจที่จะหยุดพิจารณาวันนี้เอาไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยทำพอถึงพรุ่งนี้เออพรุ่งนี้ก็ไม่ไม่ไหวแล้วเอาเอาวันต่อไปดีกว่าอันนี้ไม่ใช่ปลาลกความเพียปรปลาลกความเพียรพื้นเรื่อยแค่ไหนก็ปลาลกที่จะทํปาปลาลกที่จะเพียปรปลาลกที่พิจารณาอันที่สี่นี้อันที่ห้ามีปัญญาอันเห็นความเกิดและความดับของขันห้า เป็นปัญญาเป็นไปเพื่อความชั้แด ก, กิเลศหากมีองค์ประกอบครบห้าเนี่ยเป็นเครื่องวัดว่าคนนั้นจะบรรลุภายในเจ็ดปีเป็นที่ตั้งเจ็ดปีเป็นที่ตั้งยังกลางเจ็ดเดือนยังต่ำลงมาเจ็ดวันยังเลวสุดฟังตอนเย็นนี้บรรลุพรุ่งนี้เช้าหากครบห้าประการนี้หากทำเจ็ดปีแล้วไม่บรรลุแสดงว่าห้าประการนี้บกพร่อง ต้องไปตั้งไลตรวจสอบแล้วมันข้อไหนข้อนึงเนี่ยผิดพลาดแน่มีข้อไหนที่ผิดพลาดไล่ตรวจสอบพอตรวจสอบแล้วสร้างองค์ประกอบที้มาครบ5ข้อแล้วพุกนับหนึ่งหมเปีถ้า7ปีไม่บรรลุมันต้องผูบกบุกคลังอย่างใดอย่างหนึง่งแน่ใน5ข้อนี้ส่วนมากเราไม่ค่อยเชื่อปัญญาการตต่สู้ดิจิงของพระสมมาสูตรเท่าไหร่เชื่ออะไรก็ไม่รู้เยอะแยความเชื่อมันหลากหลายเยอะแยะทุวน จันทะลูป ร, ราคาเาเชื่อไปสารพัดจันทลูกป ร, ราคาเาเชื่อว่ายัางไงไอ้พระจันแดงอ่ะจะเกิดเหตุเพศ ไ, ไัยอะไรฮะราหูโอมจันอ่ะเ อ, เออก็นั่นแหละเขาบอกไปเชื่อตามความเชื่ อ, อ, เ, อ, อเออต้องบูชาของสีดาให้ไปไเชื่อพูดด้เจ้าสักหน่อยเลยนั่นอ่ะไอ้ความเชื่อประเพณี ลาเป็นวิชาทิฏฐิเชื่ออะไรอีกที่มันหนีเกิดจากหลักคำสอนทำไมเป็นูก้กระทำนะฮะทำไมเป็นกระโดัดข้องก็เขาเชื่อผิดไงเขามไม่เชื่อปัญญาการตรัสรูจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกนี้ไม่มีทางรู้ทําได้กลัวไงกลัวตัวเองจะได้รับเคราะห์รับวิบากชีวิตเป็นไปตามกรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระจันทร์ไม่อยู่ไม่ได้ขึ้นกับาราหูพระจันทร์ก็ โคจร อ, อยู่ไงของมันมาแต่ไหนแต่อะไรแล้วลาหูอมจันมนุษย์ผู้มีความภาคเพียรในวันนั้นสามารถทําอสวะให้สิ้นได้ในวันลาหูอมจันนั้นก็ยังมีไม่เกี่ยวกับวันมันไม่ได้ขัดความมรรคผลของบุคคลผู้มีความเพียรนะแล้วความเชื่องมงายอะไรหลายอย่างที่แท้ประมาทในจิตแก้ไขออกไปให้หมดนะความเชื่อพวกนั้นนะ ให้เชื่อปัญญาการตัดสู่จริงของมัสยิมาสังกุฎิเจ้าเท่านั้นันะคะที่ไปเชื่อเกี่ยวกับเรื่องวันเกิดปีเกิดตัวแลขอะไรต่างต่างนั้นก็เป็นมิจฉาทิถีปีชองถ้าอะไรก็ตามที่ไม่ได้เชื่อว่าเกิดจากกรรมกรรใช่อันนั้นมิจฉาทิถีปีชองใช่ปีชองด้วย มันจะชงก็ตามก็เกิดจากกรรมไม่ได้เกี่ยวกับปีเกิดจากกรรมพิจารณาลงสู่กรรมเป็นการเชื่อตามปัญญาการตรัสรู้จริงของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าขับรถไปชนหมาก็บอกว่ามือเช้าไม่ได้ไหวแม่แย่านานมีชาทีทีแล้วงูเข้าบ้าน เขาว่าไม่ดีต้องแต่งแก้เสียเพาะมีชาที่ถิอีกแล้วทั้งที่กาลังภาวนาอยู่นั่นแหละมีคนมามาถามเหมือนกันโทรมากลางคืนด้วยพระอาจารย์งูเข้าบ้านทําไงหลายปีมาแล้วแหละงูเข้าบ้านทําไงพระอาจารย์เนี่เอ๋อก็มันเข้ามาแล้วแล้วตอนนี้มันอยู่ไหนล่ะมันเลื้อยออกไปแล้วอ๋อเลื้อยออกไปแล้วก็แล้วแล้วสิจะให้ทํำยังไงก็มันเลื้อยออกไปแล้ว เขาว่ามันไม่ดีงูเข้าบ้านก็บอกมันมีเคราะอ์โ อ, อ้กดเคราะตอนมันเคาะเข้ามาอยู่มันมันเคราะหตอนที่มันเลือ้อเข้ามาก็เป็นเคราะเนี่ยถ้าไม่ระวังมันพอมันเลื้อออกไปเคราะก็ออกไปตามมันแล้วจะไปกลัวอะไรลนะ่ะมันก็ออกไปแล้วก็เคราะก็หมดแล้วไม่ได้นะเราะว่าต้องต้องแก้นั่นแก้นี้โอ้ โ, อโอเนี่ยอยู่ไม่เป็นสุขพวกความเชื่องมงายประเภทนี้นะ ไปแก้อะไรนหนาก็มันเข้าเข้ามาแล้วก็ออกไปแล้วไี่คลัวอะไรก็เข้าใจตามความเป็นจริงดีถ้าท่าขานแล้วน้มนต์น่นะน้ำมนต์ก็เหมือนกันน้ำมนต์ไม่ได้ทำให้ใครดีน้ำมนต์ไม่ได้กาจัดความชั่วร้ายออกจากใครนะน้ำมนต์ไม่ได้แก้กรรมให้ใครน้ำมนต์ไม่ได้ทำให้ให้ใครพ้นจากกรรมอีบาร์ที่ตัวเองกระทา กรรมก็ยังเป็นกรรมการอำ น, นวยผลของกรรมก็ยังอํา น, นวยผลอยู่ตลอดน้ํามนต์ไม่ได้ช่วยแก่น้ําก็คือน้ํามันก็คือน้ํามันจะมีมนต์อยู่ในนั้นก็คือน้ําที่มันมนต์มนต์มนต์เป็นของพรามเนี่ยเป็นวิชาทิ่ผิดอย่างหนึ่งมนต์ไม่ใช่ของพุทธพุทธไม่มีมนต์แต่มีมนต์ในเชิงเปรียบเทียบ นะไม่ใช่มนที่เป็นมนที่เขาสารเสริญกันมนในเชิงเปรียบเทียบเปรียบเทียบยังไงเปรียบเทียบหลักสัจจะทั้งหมดว่าเป็นมนแต่ไม่ใช่มนเพื่อมาเสด็จขวดซาราเริญแต่เป็นมนเพื่อให้เข้าถึงสจัจจะไม่ใช่มนเอามาส่วนแล้วทําน้ำมนตแต่เป็นมนเพื่อการประพฤติปฏิบัติมนที่ลงมือประพฤติปฏิบัติตามหลักสัจจะนั่นคือมนที่เรียกพุธมน ไมใช่เจริญพุทธมนต์คือก็ไปสวบดบทบทธรรมของพระเจ้าลงในนมล์ยงได้สายศีลและหยดเทียนเจริญพุทธมนต์นั้นไม่ใช่เจริญพุทธมนต์ในความหมายของพระเจ้าคือเจริญมัตตเจริญสัมมาทิฏฐิเจริญสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจากรรมันต์อาชีวะวายามะ ส, สติสามาธิเจริญสิ่งที่ความเป็นความถูกต้องขึ้นมาในชีวิตของเรานั้นคือเจริญพุทธมนต์ไม่ใช่ไปนั่งสวด จยดเทียนตีดเลขกันอยู่นั่นน่ะเนี่ยบาตรน้ำมนมันเทียนมันหมุนเป็นเลขอะไรหานมาหมดแล้วอาตมาเขาบอกว่าการเปลี่ยนโมเลกุลของน้ำก็เปลี่ยนจะไปอัศจรรย์อะไรกับเปลี่ยนโมเลกุลของน้ำมันอัศจรรย์ตรงไหนโมเลกุลของน้ํามันทําให้ใครพทุกได้บ้างรักษาโลกรักษาโลก มันรักษาได้จริงหรือเปล่าฮะรักษาโรคอะไรได้บ้างมันรักษาไม่ไม่ได้ไม่มีใครสามารถรักษาโรคได้ในจักรวาลนี้ไม่มีใครสามารถรักษาโรคไ ด, กกไคาาได้ยืนยัน <c oughs> พุระเจ้าป่วยไหม <c oughs> พระเจ้าไม่มีพุทธมนต์เหรอพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลง น้ำให้เป็นอากาศเปลี่ยนอากาศให้เป็นน้ำเปลี่ยนดินให้เป็นน้ำเปลี่ยนน้ำให้เป็นดินได้แต่ทาไมเปลี่ยนแปลงโรคภัยไข้เจ็บในตัวพระองค์ไม่ได้พระุทธองค์ทรงสแสดงย่อมากับปฏิหารน้ากับไฟไหลออกมาจากลูขุมขนหมุนเป็นเกลียวเป็นเกลียววนขนของพระองค์ ทุกทกรูขุมขนขนทุกเส้นมีน้ำกับไฟไหลหมุนกันเป็นเกีียววนกันอยู่ไหลออกมาทุกดูผุมขนออกจากกายของพระ อ, องค์ไหลออกจากพระบรากายกระจายออกไปทั่วทั้งบริเวณลิ้ที่พระ อ, องค์ทรงทำเรียกว่าปฏิหารหนึ่งนึงอังนนี้ยิ่งกว่าเปลี่ยนโมเลกุลของน้ำอีกนะอันนั้น ก็คิพงไม่อัศจรรย์ทำไม <c oughs> ถ้าจะอัศจรรย์ในเรื่องที่ไร้สาระนะอัศจรรย์เรื่องที่ผู้ได้เจ้าแสดงยงมา ก, กับปฏิหารนี่ดีกว่าอันยมกะปฏิหารที่ไร้สาระเนี่ยกับมีสาระแต่ผู้เจ้าบอกว่าไร้สาระปฏิหารที่พระองค์ทรงแสดงแต่ไร้สาระแต่พระองค์เอาความที่ไร้สาระมาสร้างสาระให้กับคนตรงที่ว่าโอ้โหพระพุทธองค์ทรงอนุภาพยิ่งหนอป่าฐานาอยากจะเป็นแบบพุทธองค์ขึ้นมาเห็น ไ, ไหมอันนี้คือมีสาระขึ้นมาแล้ว ใชเ่เกิดมีสาระอย่างนี้ขึ้นมาถ้าท่านที่ปฏิหารที่พวงทรงรังเกียจแต่ลังเกียจแค่ไหนพวงก็ก็ต้องทําสักครั้งหนึ่งอะสิ่งที่ไร้สาระจะทำเพียงแค่ครั้งเดียวถ้าสิ่งที่เป็นสาระพวงจะทําทตลอดทั้งชีวิตพระองค์ปฏิหารจริงไม่ได้แสดงบ่อยยะมะกาศนะคือแสดงครบสวดสูตรจริงๆอยู่เมืองสังกัศาศาดสารนครนอกานั้นก็แสดงแบบไม่เต็มสูตรไม่ไม่ไม่สมบูรณ์ในยะมะกะ แสดงแบบเกลื่ไม่เต็มพอถ้าแสดงที่อื่นเต็มบริบูรณ์ครบส่วนแล้วยมอากาศปฏิหารที่เมืองสังกษัสนั้นจะไม่อัศจรรย์อย่างที่ยาดน้ำก็ไม่มียาดน้ำเพื่ออะไรต้องถามก่อนอยาดน้ำเพื่ออะไรในทางพูชศาสนาไม่ไม่มีในหลักคำสอน ไม่มีอยู่ในหลักคำสอนแต่คนส่วนมากกระทำกันใช่ไหมหากมีความเชื่อและยึดถืออย่างนั้นก็เป็นมิชาทิฐิไ ม, มไม่ทำเหมือนกันหรือยังท ำ, ทำเห็นทำอยู่ก็ไม่ว่าเขาทาเขาก็ทำไป เ, เขาเชื่ออย่างนั้น แต่หลักคำสอนไม่เคยกล่าวสอนเรื่องการกรวดน้ำอุทิศกุศลไม่มีอยู่ในหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ว่ากันตามหลักคําสอนนะส่วนจะว่ากันตามเรื่องราวของครูอาจารย์ใดก็เรื่องของครูอาจารย์นะั้นอันนี้ว่าตามหลักคําสอน Laura, ที่เป็นภาษาสระเราสอนไว้ก็ให้ทาในแล้ว <warming> อุท <warming> ิศทันทีใช่ ก็ในบทที่พระกล่าวกับบุคคลผู้ไปถวายทานทุกครั้งทุกคราวก็กล่าวาว่ายะถาเวริวาหาภูราปริโปรเรติสาครังเอวาเมวะอิโตดินนังเปตานังอุปกะ ป, ปติอิจชิตังปัติตังตุมหังคิปะเมวะสบิชฉตุสเบปโปรเรตุสังกปาจันโดปาน า, า, านโาาาสยะถาไมริโชติลาโสยะถาพระสวดบทนี้ใช่ไหม <y> คืออะไรหล่ะบทนี้คืออะไรสอนให้เราทําอะไร เนี่ยสอนให้เราไม่รู้ <c oughs> ก็ไม่เลยไม่รู้มาจนถูกวันนี้รู้แต่ว่ามันแกบขึ้นมาแบบนี้นี่ ไ, ไม่รู้แล้วประหยัดน้ำทำไมเ <c oughs> ขาหลัเาทำกันเนี่ยเห็นไหมเ <c oughs> ขาทำกัน <c oughs> สแสดงว่า <c oughs> เป็นการทำตามๆกันมา <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ไม่ได้ทำตามเพราะเป็นหลักคำสอนของพระสัมมาพุทธเจ้าทรงสอนไว้ ผูงค์ทรงเปรียบเทียบการให้ทานว่าประดุดดังห่วงน้ําใหญ่ห่วงน้ําที่เต็มเปี่ยมย่อมยังสมุดสาครให้เต็มเปี่ยมประดุดดังคือเปรียบเทียบจิตของบุคคลผู้ให้ประดุดดังห่วงน้ําที่ใหญ่มากห่วงน้ําเป็นห่วงใหญ่ดังสมุดสาครสมุดทะเลมาหาสมุดใหญ่ไหมสาครนอยู่หัดขอบเขตก็ ไม่รู้ว่าขอบเขตไปสิ้นสุดที่ไหนแต่มีขอบเขตแต่ก็ใหญ่นะจิตของผู้ให้ยใหญ่ขนาดมหาสมุทรนั้นห่วงน้ําที่ใหญ่ห้องห่วงน้ําที่ใหญ่แล้วเต็มเตียมด้วยนะย่อมยังสมุทรสาครให้เต็มน้ําที่จะทําให้สมุทรสาคอเต็มได้ทะเลน้ํานัน้นต้องใหญ่กว่าสมุทรสาครนใช่ไหเหลือย้อมเยอะกว่าถึงสามารถทําให้ทะเลเต็มได้เนี่ยคือจิตของผู้ให้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะ ใหญ่มากองค์จึงบอกเปรียบเทียบผู้ให้อย่างนี้นแล้วองค์ทรงตัดท่อนต่อมาว่าเอวเมวอิโตดินนางทานที่ท่านได้อุทิศเปตานังอุปกปติย่อมสําเร็จแ ก, ก่ภพิระโลกนี้ไปแล้วฉันนั้นทานแปลว่าการให้ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วต้องอุทิศก็ยังมีของเอาให้นี่นะมีของอให้ยให้ปั๊บอุทิศพร้อม จึงจะตรงกับคำว่าเอวะเมวะอิโตดิ น, นังทานที่ท่านได้อุทิศเปตานังอุปกปติคําว่าอุปกปติเป็นคํากํากับไว้ตายตัวแล้วว่าเป็นผลสําเร็จย่อมสําเร็จแก่พิธละชีวิตไปจึงไม่สําเร็จด้วยวิธีการอื่นแน่นอนนี่คือหลักคําสอนที่มีมาเท่าที่ค้นหาเจอไม่สําเร็จด้วยวิธีอื่นยืนยันนะ ไม่สําเร็จด้วยวิธียาดน้ำไม่สำเด็ดด้วยวิธียาดน้ำหรือไม่สำเด็จด้วยวิธีกรวดน้ําหรือไม่สําเร็จด้วยวิธีการเทน้ําและไม่สำเร็จด้วยวิธีการ<ม>อะไรที่ขทเขาทํารอ้อนวอนสะตวงสะเติงอะไรกันนะไม่สําเร็จยืนยันเอากระลักคำสอนบาปไว้อย่างนี้เนะี่ย จะให้ตามาสอนขัดกับหลักคำสอนไม่ได้เพราะตมาเป็นสาวกสาวกสอนหลักขัดกับหลักคำสอนของพระาศาสดาสาวกนั้นควรจะประกาศตนว่าเป็นสาวกได้อยู่เลยสอนขัดกับพระาศาสดาของตนเป็นสาวกได้อยู่เลยเป็นได้ไหมหน่อย ก, ก็ได้แต่จะเป็นสาวกแบบนอกนอกอะ่ะ นอคําสอน่ะเป็นสาวกนอคาสอนปากบอกก็พูดพูดอย่างนี้มันก็พูดได้แล้วปากเนาะมันจะพูดอะไรก็ได้ปากพูดดีก็ได้พูดชั่วก็ได้พูดเอาบุญก็ได้พูดเอาบากก็ได้พูดเอาดีพูดเอาโทษก็ได้ปากนะแต่ความจริงเป็นยังไงตรงเนี้ยคือความสําคัญเป็นเป็นสิ ทุกขณะแห่งความเป็นอยู่ทั้งหมดมทุกวินาทีเป็นกรรม <_ K _> เขาบอกว่าเจตนาเป็นตัวกรรมมีอะไรบ้างที่ไม่ได้เจตนาบ้างมีอะไรที่เราไม่ได้เจตนาบ้างขนาดหายใจยังเจตนาเลยเป็นเจตนาอ่อนอ่อน<ม>ที่เราไม่รับรู้ว่าเป็นเจตนาแม้แต่ตัวเราก็ไม่รู้เลยเป็นเจตนากระพริบตานหนึ่งครั้งก็คือเจตนา พยักหน้าอย่างนี้ก็คือเจตนาเพราะกายจะขยับเคลื่อนไหวและหายใจไม่ได้หากไม่มีจิตจิตหากไม่สั่งการคือจงใจการสัง่งการเรียกว่จงใจจงใจคือเจตนาจงใจที่จะให้พยักหน้าหายใจพิมตาพวกนี้แต่เป็นความจงใจที่อยู่เหนือเจตนาแต่ก็คือเจตนาอันหนึ่งที่อยู่เหนือเจตนาคนไม่เข้าใจ เจตนาเป็ น, นปตัวกรรมแต่พระพุทธเจ้าไม่นับเจตนานี้ว่าเป็นสำคัญเข้าใจไหมแต่นับเจตนาในเาเรียกว่าเจตนาอย่างแรงกล้าอันนั้นน่ะคือเจตนาที่ประกอบพร้อมไปด้วยเหตุปัจจัยอื่นนะว่าเป็นกรรมเช่นเจตนาปากกุศนก็เป็นกุศ ล, ลกรรม เจตนาปาลบอกุศลก็เป็นอกุศ ล, ลกรรมเจตนาปารบความดีก็เป็นความดีกรรมดีเจตนาปารบความชั่วก็เป็นกรรมชั่วเนี่ยห า, หากไม่ปารบมันก็เป็นเจตนาแบบอ่อนๆไม่ไม่ปารบกุศลหรืออกุศ ล, ล, ศลมันต้องมีองค์ประกอบเพื่อสัมพยุตเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมาหิบปัจจัย จิตเป็นผู้สั่งใช่ไหมคะเจ็ดตางใช่ถ้าไม่มีจิตเป็นผู้สั่งกายทำอะไรไม่ได้เด็กขาดยืนยันจิตสั่งแต่เราไม่รู้ว่าจิตสั่งนะอโอ้มัน <c oughs> ไม่ต้องพี่นารอกพี่นาไม่ถึงหรอก <c oughs> คนพี่่านการพิจารณามาแล้วนี่รู้แล้วเอามาบอก <c oughs> ก็เข้าใจเลยไปนั่งพิจารณา น, านี้ไม่มีทางเห็นจิตหรอก <c oughs> คนที่จะเห็นจิตได้นี่จะพวกเดียวนอกนั้นไม่เห็นจิตดอกมองเข้าไปในจิตก็เห็นแต่อารมณ์ของตัวเองนั่นแหละใช่ไหมจะเห็นจิตไม่ใช่ง่ายบางคนบอกโอ้เห็นจิตเจอจ้าหูย เ, นะเจอจ้านั่นไม่ใช่จิตไอ้เจอจ้านั้นยังไม่ใช่จิตตัวจิตแท้ๆมันไม่ได้เจอจ้าอะไรเลยก็ไม่รู้แล้วอะไรคุณพูด จะเรียกว่าจิตเห็นจิตก็ไม่ใช่ก็ไม่เชิงเพราะไม่ใช่จิตแท้จะเขาเรียกว่ายานพขไปเห็นยานมาานันอย่างไงยานาาก็มันจะจิตยานอย่างทราบอย่างรู้ฌ า, านคือการเพ่งยานคือการรู้ตามความเป็นจริงเมื่อรู้ตามความเป็นจริงเรียกว่ายาน ถ้าเพ่งจดจออยู่เฉยๆไม่คิดไม่นึกอะไรเจรือวาชาญแยกออกไหมพยักหน้าเหมือนเข้าใจเข้าใจเข้าชาเออเข้าชาก็พวกนะักพดลือสีอะไรเขาเนี่ยเข้าชาเข้ายางนะฮะใครมีรดึงสีเข้าชามีสิทาไมจะไม่มีคนทได้ไหมทาได้สิ ก็คนทําจะเอาผีที่ไหนมาทํำฌานเกิดอยู่ในเมืองมนุษย์นี่บนเทวโลกก็มีมีฌานเทวดาไปนั่งสมาธิแค่ไหนก็ไม่ได้ฌานไม่เกิดเพราะไม่มีตัวอนุภัยผลมีแต่คนนี่แหละทำเชื่อหลงฌานให้เกิดวันเพื่อหลกวันโลกหลงตัวเองนช่ไหคะตัวหลงนั่นเอค่ะ ก็บอกแล้วว่าตัวหลงมันอยู่ในจิตมาแต่ไหนแต่ไรแล้วมันอ ย, อยู่มาแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะไม่หลงมันหลงอยู่แล้วเพราะความรู้มีอยู่อันเดียวคือในทางพุทธศาสนาถ้าเอาความรู้ไปเทียบความรู้ในทางหลักคํามอรไปเทียบจะรู้เลยว่าอะไรคือความหลงอะไรคือไม่ใช่ความหลงถึงแม้เราจะมีความหลงอยู่กับจิตก็ตามแต่เป็นความความหลงที่เราเชื่อปัญญาการตรัสรู้จริงของพระสามาสมุริเจ้า ก็เป็นความหลงเชื่อในสิ่งที่เป็นความจริงสักวันหนึ่งความจริงที่เราหลงเชื่อจะไม่ไ ถ, ถ่ายถอนความหลงในจิตของเรานี้เองนะงงถ้าการแทรกเตอร์ชะต า, ก, ากรรมนี้มีจริงสืบชะตา ในทางพระพุทธศาสนามีแต่ที่เขาทําตามประเพณีนั้นไม่ใช่ในหลกักคําสอนที่เขาทําตามประเพณีทําตามความเชื่อแต่การสืบชะตาในทางพุทธศาสนามีแต่คนไม่ค่อยรู้จัก <S 2> <S 2> ตัดกรรมในทางพุทธศาสนามีแต่ที่เขาไป ท, ทําพิธีตัดกรรมนั้นไม่ใช่พุทธศาสนาะที่เขาทํากันตามทั่วไปนะนะไม่ใช่ทําตามหลักพุทธศาสนาะ หลักทางศาสนามีวิธีการตัดกรรมศาสนาตัดตได้ใช่ไหมตัดได้ที่ทำไมจะตัดไม่ได้แต่ตัดให้ถูกตามหลักของศา ส, สนานะเสืบ ช, ชาตาก็สามารถทําได้แต่ต้องทําให้ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาเอาที่ไหนมีที่ถูกต้องเอาก็ที่พุทธศาสนาไ่ไงพุทธเจ้าเราสอนไม่อยู่ที่นี่ก็สอนสอนทั้งสืบมชะตาสอนทั้งตัดกรรม จริงๆทุกวัดเขาสอนทั้งนั้นแหละแต่เราไม่รู้ว่านั่นคือวิธีการสื่อชะตาเคยได้ยินคำว่าอภิวาดนาสีลิสนิจจมุทถะปัจจายโนจตารโอธรมาวัตตันติอายุวรนโอสุขังพลังเคยได้ยินไหมก็นี่แหละวิธีการสื่อชะตาแปลว่าบุคคลผู้มีการอภิวาสกาบไหว้อ่อนน้อมประพฤติตนเป็นผู้อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่พูดถึงความเจริญอยู่เป็นนิด ย่อมมีอายุยืนนานอายุวันโลวันณนะผิวพรรณผ่องใสสุขขันสุกกายสบายใจพละมีกำลังบังชาสมบูรณ์แข็งแรงไม่ใช่ไปไหว้เจ้าไหว้พระภูมิไหว้ศาลไหว้เจ้าพอเจ้าแม่ไหว้เจ้าปู่เจ้าตาไหว้ต้นไม้ไหวปูสีสุดโธใช่ที่ไหนล่ะครูยศบอกให้ไหว้บุคคลพูดถึงความเจริญผู้วุฒาประย์ยิโนประพฤตินตนเป็นผู้อ่อนน้อง ต่อผู้หลักผู้ใหญ่นะพูดง่ายๆพ่อแม่ครูญาตายายครู อ, อาจารย์พระสัมมณะผู้ทรงศีลพระอริยเจ้าไปหากล่าวให้สิ่งที่จะเป็นไปเพื่อความเจริญเหล่านั้นเข้าใจไหมทําอยู่เป็นนิดนั่นคือวิธีการสืบชะตาไม่ใช่ไปไหว้พระเก้าวัดไอ้พระเก้าววัดนั้นไม่ใช่สิ่งที่นําไปสู่ความเจริญนั่นน่ะพอเข้าใจไหมนี่คือสือบชะตาในทางพุทธศาสนาอันนี้พุทธเจ้าตัดไว้นั่นนี่ วิธีตัดกรรมที่นี่วิธีตัดกรรมนั้นก็ต้องไปดูว่าพระเจ้าทรงตัดพระเจ้าทรงพระเจ้าตัดสอนเรื่องกรรมว่าอยู่ที่ไหนโ พ, พองพลตัดว่ากายวาจาใจที่เป็นอยู่ในเวลานี้เรียกว่ากรรมเกา่าบุคคลอาศายัยกายวาจาใจกระทําสิ่งใดๆลงไปในขณะนี้เรียกว่ากรรมใหม่ เข้าใจไหมกายวาจาใจาอันใดที่มีอยู่ในขณะนี้อันนั้นคือกรรมเก่านั่นหมายถึงว่าตัวเราทั้งหมดมาจากกรรมเก่าเป็นผลแห่งกรรมเก่าบุคคลอาศัยกายวาจาใจาก็คืออาศัยกรรมเก่านี่แหละกระทาสิ่งใดๆลงไปในขณะนี้เรียกว่ากรรมใหม่นิโรธอันถูกต้องวิมุตต์แล้วเรียกว่าการดับกรรมเนี่ยผู้ศาสนาตัดสอนพระเจ้าตัด เรื่องการดับกรรมไว้ด้วยวิธีการทำนิโรธให้ถูกต้องนิมุตตินิโรธสร้างนิโรธขึ้นมาให้สัมผัสกับนิมุตต์แล้ววิธีการที่จะสร้างนิโรธขึ้นมาให้สัมผัสกับนิมุตต์ทำยังไงจะถามต่อใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ให้ทำโดยการรู้ความดับนิโรธแปลว่าความดับใช่ไหมรู้ความดับอะไรดับกรรมดับ รู้ดับรู้กับความดับอย่างไรสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กดับไปหรือยังดับไปแล้วนะสิ่งที่เราทำตอนที่เราโตขึ้นมาหน่อยเป็นเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยดับไปหรือยังสิ่งที่เราทำตอนที่เราเข้าโรงเรียนดับไปหรือยังสิ่งที่เราทำตอนที่ขึ้นปัธยมดับไปหรือยังสิ่งที่เราทำตอนที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยดับไปหรือยัง สิ่งที่เราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วดับไปหรือยังดับไปหรือยังสิ่งที่เราทำเมื่อวานนี้ดับไปหรือยังสิ่งที่เราทำเมื่อเช้านี้ดับไปหรือยังสิ่งที่เราทำเมื่อตอนกลางวันนี้ดับไปหรือยังสิ่งที่เราทาตอนหกงเย็นนี้ดับไปหรือยังสิ่งที่เราทำเมื่อห้านาทีที่แล้วนี่ดับไปหรือยังสิ่งที่เรากำลังทำขณะนี้ เราสามารถรู้ตามความเป็นจริงได้ไหมว่ามันจะดับหรือมันจะไม่ดับรู้ได้ไหมเมื่อรู้ความดับอย่างนี้อยู่เสมออยู่เรื่อยๆตามรู้ความดับเพราะฉะนั้นสิ่งในกระทำที่ร่วงไปแล้วละไปแล้วดับไปแล้วนั่นคือสิ่งที่ร่วงไปละไปดับไปแต่เราไม่เข้าใจการดับที่ดับไปในสิ่งที่ดับไปแล้วนั้นตามความเป็นจริงเราไม่เคยไปตามรู้ย้อนเข้าไปรู้ในสิ่งที่ดับไปตามความเป็นจริง แล้วเรื่องบางเรื่องที่มันดับไปแล้วล่วงไปแล้วนานแล้วเราไม่ได้ไม่รู้ตามความจริงเนี่ยเราไปยึดเอาเอาลงที่ล่วงไปแล้วมาแล้วเนี่ยมาก่อปัญหาให้กับจิตเราก็มีเช่นเรื่องมาเจ็ดวันที่แล้วที่เป็นทุกข์ใจอยู่มันดับไปหมดแล้วแหละสิ่งที่เราทามาทั้งหมดมันดับไปแล้วแต่มันปรากฏว่ามันเป็นเรื่องปรุงแต่งขึ้นมาในภายในแล้วเราก็ลงยึดเอาเรื่องที่ปรุงแต่งที่ดับไปแล้วนั่นอ่ะมาปรุงแต่งต่ออีกสร้างทุกข์ให้ตัวเองเพิ่มจากทุกข์ที่มันเกิดแล้วอ่ะ มันดับไปแล้วน่มันเลยกลายเป็นกรรมใหม่ก็ยังหากอยากจะดับกรรมคือต้องพี่นารู้การดับอย่างนี้ให้เห็นการดับบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆของชีวิตเราเราจะเห็นความไม่มีอะไรอยู่โดยถาวรในตัวข้อมันเองทั้งดีทั้งไม่ดีแต่มีการส่งผลไหมส่งผลแน่นอนแต่มันก็ส่งผลเพื่อดับไม่ได้ส่งผลเพื่อมีอยู่มันก็ดับดับดับพี่นาเห็นความดับเห็นความดับอย่างเนี้ย มันจะรู้ความจริงในสิ่งที่ร่วมไปอารมณ์ใดก็ตามที่ล่วงไปแล้วละไปแล้วดับไปแล้วหมดไปแล้วอารมณ์นั้นคือเป็นอารมณ์ที่มันไม่มีอยู่จริงแต่มันเกิดขึ้นมาตามสัญญาอารมณ์คือการทรงจําเพราะฉะนั้นเรื่องใดก็ตามที่เป็นเรื่องที่ล่วงไปแล้วละไปแล้วดับไปแล้วปรากฏอีกครั้งหนึ่งเป็นเพียงแค่ความจำไม่ใช่ความจริงแต่เราไปสําคัญมั่นหมายว่าเป็นจริงเป็นจังขึ้นมามันเลยเกิดปัญหาเราเลยสร้างกรรมมาอยู่ตลอด แต่เมื่อเราปล่อยให้มันดับตามความเป็นจริงเห็นมันเกิดเห็นมันดับเห็นมันเกิดเห็นมันดับเห็นมันเกิดมันดับมันก็จะดับไปตามการเวลาของมันจริงๆจึงไม่มีกรรมใหม่เข้าใจยังเรียกว่าการดับกรรมในขณะนั้นเมื่อจิตเราพ้นออกจากการกระทําที่เคยกระทํามาทั้งหมดในอารมณ์ต่างๆจิตเราพ้นออกมาจากอารมณ์เหล่านั้นแล้วสิ่งที่เราทํามาที่เรายึดถือว่าเราทํานั้นเราทํานี้เรื่องที่เราเจ็บปวดเรื่องที่เราน้าร้ายเรื่องที่มัน พอดตัวเองโอดาะ น, นั้นพอดคนนี้มันดับไปหมดแล้วเราก็จะยอมรับตามความยิ้มันดับมันหมดไปหมดไงเมื่อเรายอมรับตามความยิ้มมันดับไปหมดจิตเราก็จะพ้นจากการยึดมั่นถือมั่นเมื่อพ้นจากการยึดมั่นถือมั่นมันก็เรียกว่าดีลอดที่สัมผัสกับวิมุตต์วิมุตต์คือความพ้นทาจิตให้พ้นพ้นออกไปจากอารมณ์เก่าๆที่ล่วงไปแล้วนั่นนหะสังเกตจิตดีๆในวันหนึ่งคื้นหนึ่ ง, งจิตของเราส่วนมากจะไปหน่วงเดียวอยู่แต่อารมณ์เก่าๆที่ล่วงไปแล้วยึดเอามาเป็นปัญหาของจิต อนี่ยเว้ยยืมเงินกูไปไม่เอามาคืนกูสักทีอยู่เงี้ยใช่ไหมนึกถึงแต่หน้ามันกูจะไปทวงมันกูจะไปทวงมันแค่คิดว่าจะไปทวงนล้วสุขหรือทุกข์ทุกขนาดนั้นก็ยังคิดไม่หยุดอยู่นะยังแบกทุกข์ไปเออมันมีเงินก็จะเอามาคืนเราเราละว่าก็คิดอย่างเงี้ยมำไมล่ะมันไม่มีเงินมันก็เลยไม่เอามาคืนก็สบายใจได้ใช่ไหมแม้จะไม่มีเงินมามาถึงเราก็สบายใจอยู่ไงไม่ทุกข์ไม่บีบพั้นใจตัวเองก็ ก็ปลอยให้มันดับไปมันร่วงไปอย่างนี้นะบางคนยอมไม่ได้ไงไอยอมไม่ได้เนี่ยคือตัวที่ผูกใจเราไว้กับวัตถะที่ดิ้นไม่ออกกัเลยการมันเป็นหนี้การใช้หนี้การทวงนี้กันอย่างนี้ไม่จบไม่สิ้นแล้วก็ทวงกันไม่รูดไม่มีที่สิ้นสุดแล้วทวงกันไม่รู้กี่พักกี่ชาติแล้วไม่รู้นะจริงๆนะไม่ใช่แค่ชาตินี้ชาติเดียวนะมันทวงกันมาไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วแล้วไม่เบื่อนายต่อการที่จะไปทวงกันอยู่นะ มันเลยไม่ดับสักทีดับไม่ขาดจริงๆสภาพธํามันดับไปแล้วแต่เราไม่ไปเห็นไม่ไปรู้ไม่เข้าใจไม่ยอมให้ทําจิตให้พ้นในร่อนเลยไม่ถูกต้องมีมุตความดับที่มันดับมันไม่สัมผัสกับมีมุตคือจิตเราไม่พ้นจากอารมณ์เหล่านี้เมื่อจิตเราไม่พ้นจากอารมณ์เหล่านี้มันจึงเป็นกรรมที่วนเวียนอยู่ชดใช้กันไปจนกว่าเราจะสลัดมันออกพอสลัดออกปั๊บกรรมนั้นก็ล่วงละนาดับไปหมดเลยไม่ไปทวงกันอีกในพบหน้าชัดหน้า สุดท้ายแล้วมันจะย้อนมาเป็นสิ่งที่ดีๆมาถึงเราพอเราใช้กรรมก็เรียกว่าทําจิตให้บีมุ ห, มหลุดพ้นกรรมหมดกรรมดับกรรมนั้นก็ดับไปตามการเวลาเพรามันใช่ไหมจิตก็จะถึงบีมุมดพ้นพอพ้ปับ๊บจิตที่พ้นะมันจะดึงสิ่งดีๆเข้ามาอาํานวยผลให้าาอา จ, จ, จ, จารย์คะคําว่าความจริงใจจริงจังแล้วก็โปรยหวานนี่ค่ะหมายความว่าอะไรครับ แตกต่างกันเลความจริงคือสัจจะแล้วอะไรอีกจริงจริงใจจริงใจอะไรเลจริงใจจริงใจเป็นจำนวนถ้าจะเอาสัจจะจริงๆถ้าจะเอาเอาสัจจะมาวัดจริงๆนะความจริงมันมีอยู่เพียแค่4อย่างหนึ่งทุกสองเหตุที่เกิดทุกสามความดับของทุกสี่การปฏิบัติเพื่อที่จะเข้าไปดับทุกมันมีความจริงอยู่4อย่างนี้นอกเหนือจาก4อย่างนี้สิ่งเหล่านั้นไม่มีความจริงเลย จิตที่มีความจริงสีประการนี้จึงเป็นจิตที่มีความจริงถ้าจิตไม่รู้จักความจริงสประการนี้จิตนั้นคือจิตที่ไม่มีความจริงถ้ารู้จักความจริงสีประการนี้จิตจะปล่อยวางได้ทุกคือปัญหาของชีวิตที่ทุกเป็นปัญหาของชีวิตเพราะมีเหตุให้เกิดทุกอยู่เมื่อเหตุให้เกิดทุกมีอยู่ทุกก็ต้องดําเนินไปอยู่เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องเสียหายและไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปวิต e. กกรวล เพราะเหตุแห่งทุกข์เรายังมีอยู่บุตรชนจะมีทุกข์กับเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้อยู่เสมอแต่พระอริยเจ้าท่านเห็นความดับไปของทุกข์นั่นหมายถึงว่าทุกข์เกิดขึ้นมากี่ครั้งท่านจะเข้าไปรู้อาการแห่งทุกข์ที่เกิดขึ้นและเห็นความดับที่เกิดขึ้นคือตั้งใจที่จะดูทุกข์แล้วก็ตั้งใจที่จะเห็นการดับไปของทุกข์เมื่อการตั้งใจจะเห็นการดับของทุกข์ทุกเนื่องอะไรแต่ละครั้งแล้วมันดับไปดับไป แล้วก็ปล่อยให้มันดับไปตามล่างเรื่องของมันแบบเมื่อกี้เนี่ยเขาเรียกว่าเห็นความดับเห็นทุกข์เห็นเหตุได้เห็นความดับนั่นหมายถึงว่าความทุกข์มีอยู่เพราะเหตุมีอยู่ความทุกข์ดับเพราะเหตุมันหมดมันจึงดับหาเหตุไม่ดับอยากให้ทุกข์ดับจะดับได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเพราะเหตุมันยัมีอยู่เมื่อเหตุดับความทุกข์อยากให้มันมีอยู่มันก็ไม่มีมันก็ต้องดับเพราะเหตุมันดับมันหมดของมันเข้าใจอยู่รู้อย่างนี้แล้ว ก็เข้าไปปฏิบัติต่อทุกข์ด้วยการรู้ปฏิบัติต่อเหตุโดยการไม่สร้างเหตุเพิ่มจากเหตุเดิมที่เกิดเขาเรียกว่าสร้างความรู้นั่นเองคือเข้าไปรู้อาการที่มันเกิดแล้วก็เห็นความดับเขาเียกว่านิโรธปฏิบัติต่อทุกข์ด้วยการรู้ปฏิบัติต่อเหตุด้วยการละปฏิบัติต่อนิโรธโดยการทําให้แจ้งอันนี้เรียกว่ามักเมื่อมักจะเริญขึ้นเรื่อยๆก็จะดับทุกข์ได้อย่างหาวอนจะทํากิจในการรู้ปพระธรรม แต่ต้องทำนะอธิบายไปนี่ต้องไปทำนะไม่ทำไม่ได้นะสองทุ่มกว่าแนละ้ว <c oughs> อ้าวซาธุแล้วนะ <c oughs> กระจาญขึ้นเยอะเลยค่ะกระจาญขึ้นเยอะแสดงว่ามืด ม, มาจากที่โน้เนเ่ย <c oughs> <c oughs> มีคำถามเข้ามาในเพจถามว่ากราบนมัส ก, การครับ วิญญาณกับจิตมีความแตกต่างกันอย่างไรครับวิญญาณเป็นเครื่องประกอบจิตถ้าจะถ้าจะอธิบายง่ายๆอย่างนี้นะมีดินมีน้ำมีไฟมีลมประกอบกันเข้าจึงมีกายเข้าใจนะพอมองออกนะมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณประกอบกันเข้าจึงมีจิต พอแยกออกไหมว่าวิญญาณกับจิตเป็นยังไงแยกออกไหมแยกออกไหมว่าดินน้ําไฟลมกับกายเป็นยังไงแยกออกได้ไหมคือดินดินน้ำไฟลมคือธาตุใช่ไหมกายคือส่วนผสมของธาตุหรือว่าธาตุผสมกันแล้วจึงเกิดมาเป็นกายผสมกันตอนที่อยู่ในคันแห่งม า, ด า, มาราามาดาผสมกันธาตุบิดาธาตุมารดาผสมกันอย่างนี้แหละไฟธาตุแห่งมารดาก็เที่ยวดินน้ําไฟลมเข้าเที่ยวจิตเข้าไปด้วย จิตปรุงแต่งโดยอํานาจของเจตสิกเจตสิกเขาเรียกว่าอํานาจของการปรุงมันมีอํานาจอยู่ในตัวมันเวทนามีอํานาจในการปรุงเวทนาปรุงแต่งอารมณ์ที่เป็นสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้างสัญญาปรุงแต่งเรื่องการจําสังขารปรุงแต่งรูปปรุงแต่งเวทนาปรุงแต่งสัญญาปรุงแต่งสังขารปรุงแต่งวิญญาณเรียกว่าสังขารวิญญาณคือการรับรู้เมื่อมีเวทนามีสัญญามีสังขารก็ต้องมีการรับรู้เรียกว่าวิญญาณ วิญญาณจึงเป็นเครื่องประกอบจิตเหมือนกันกับดินน้ำไฟลมคือธาตุสี่เป็นเครื่องประกอบกายผสมจิตจึงเป็นธาตุผสมของนามสี่กายคือธาตุผสมของธาตุสี่เห็นยังจิตเป็นตัวธาตุผสมของนามฐานสี่แยกออกนะก็ถือว่าเข้าใจกันผู้ที่ถามมาก็น่าจะเข้าใจแค่นี้ นั้นก็พอสมควรแก่เวลาเยวังขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนทุกที่ที่ติดตามรับชมรับฟังก็ขอให้มีความสุขความจเจริญ ข, ข, ขอใช้เวลาในคืนนี้แต่เพียงเท่า น, นี้พรุ่งนี้เช้าใครบ้านต่อนะ <c oughs> <c oughs> ต่อมาเลย <c oughs> ต้องทำตลอดเวลาใช่ไหมคะใช่ถ้าทําตลอดเวลาได้ยิ่งดีใครสามารถทําได้ติดต่อเนื่องกันตลอดเวลาได้ยิ่งดีถ้าทําไม่ได้ก็เอาเท่าที่ได้แล้วทําแบบเอาเท่าที่ได้นี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเท่าที่ได้เนี่ยไปเรื่อยๆอยู่ตลอดจนกว่าทําแบบเท่าที่ได้ที่ไปเรื่อยๆนี้เป็นแบบอัตโนมัติมันจะทําได้ติดต่อเนื่องกันตลอดเวลาเอง ฟังแล้วสาธุสาธุจ้ า, าอะไรนี่ยถามอะไรถามอะไรมาสายตาก็ไม่ค่อยจะดีด้วยแกอ่านมาอย่างเอกเกียวนนอะไรแบบเสือเเกียวนเนี่ยเบกเกียวเบกเกียวบกเอาแค่ น, นี้หลบมันฝาห ม, มู่มวนนยไงหมดแล้วมั้งหมดแล้ว ถ้าาขอครา้าัตมาการ่อข้าิชีวิตามาจะเป็นบงก็บาปบาปก็จะตอบสนองเรื่องของขาอยู่าัเือสใหญ่ทาไมหล่ะันายก็ถ้าอัตมาจะบอกความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าวิถีชีวิตของเราน่ะเป็นวิถีชีวิตที่อยู่กับการฆ่าอยู่แล้วโดยปกติ นะนี่คือความจริงที่เป็นอโดยปกติการฆ่าเป็นเรื่องปปเองป็นเรื่องปกติของชีวิตทุกชีวิตเข้าใจไหมขนาดไปอยู่บนสวรรค์ก็ยังมีการฆ่ากันเลยเทวดากับประศูนยังฆ่ากันเลยทําสงครามกันเพราะงั้นการฆ่าเป็นเรื่องชีวิตเป็นเรื่องปกติอย่าไปซีเรียสมากนะหากเรามีการกดเว้นในวันแปดค่ำกับสิบห้าค่ำสองวันนี้ เมื่อเรางดเว้นได้เราก็จะพ้นโทษจากสิ่งที่เราเคยฆ่ามาพ้นโทษได้แต่โทดนั้นไม่นำเราไปสู่อาบายภูมิแต่เมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึง่งเราก็จะมีโรคมากเพราะเหตดแห่งการฆ่าเราก็จะมีความเจ็บป่วยมากเราก็จะมีร่างกายอ่อนแอเราก็จะอายุสั้นก็ไม่เป็นไรก็จะดีกว่า ไปสู่อบายภูมิถ้าไม่งดเว้นถ้างดเว้นแปดข้ามกับสิบ้าข้ามสองวันนี้ก็ก็จะพ้นจากโทษอันนั้นได้มาเป็นมนุษย์เพราะว่าการงดเว้นแรงเจตนาที่เป็นวิรัต์ศีลเจตนาวิรัติเนี่ยจะทำให้เราพ้นจากการไปชดใช้โทษที่เกิดขึ้ น, น, นเดี๋ยวเราก็เกิดปัญญาขึ้นมาในภายหลังเองว่า การฆ่า <G DA> แล้วเราก็เรียนรู้ว่ามันมีโทษอย่างนี้แล้วก็งดเว้นการฆ่ามีโทษอย่างนี้แล้วก็งดเว้นการฆ่ามีโทษอย่างนี้ก็งดเว้นงดเว้นงดเว้นอาการที่เรางดเว้นอยู่เป็นประจําประจำประจําประจ ำ, ะจำมันจะช่วยปรุงแต่งจิตของเราจนเราเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะฆ่าแล้วมันถึงตอนนั้นนะเขาเรียกว่าเป็นเป็นคุณธรรมรองรับจิตแล้วกับการที่ยังไม่ยังไม่เกิดคุณธรรมขึ้นในจิตคือคุณธรรมในศีลนะ่ะยังไม่เกิดขึ้นในจิตนะแล้วเป็นงดเว้น ดุมากัดสัตว์ไตขึ้นมาก็ไปฆ่ามันอันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมชาติทีหนึ่งเป็นะปเรื่องปกติอย่าไปวิตกกังวลแต่การงดเว้นของเราต้องงดเว้นให้ได้ในสองวันนี้สองวันนี้แปดค่ากับสิบห้าค่ำอยู่เป็นประจำไม่ใช่ว่า8ปดค่ำกับสิบห้าค่ำงดเว้นได้แล้วแปดค่ำสิบห้าค่ำอื่นไม่เอาอีกไม่ใช่นะ้ต้องแปดค่ากับสิบห้าค่ำทุกทุกเดือน คนหนักเบาของบาปนสัเล็กสัตใหญ่นี่มันต่างกันเจตนามากก็บาปมากเจตนาน้อยก็บาปน้อยไม่เจตนาก็บาปนหน่อยบางคนบอกเออไม่เจตนาจะมีบาปอยู่หรอมีบาปแบบไม่เจตนาบาปแบบไม่เจตนายัางไงเสมอรู้สึกคันคันอยู่ที่หลังเอามือไปไปรวบอย่างเงี้ยกระดาษโดนมันตายอันนั้นอ่ะไม่เจตนา คแค่รู้สึกคันก็อยากจะเกาเฉยๆแต่มันโดนมันตายอะไรประเภทนี้เราก็จะได้รับโทษแบบไม่เจตนาอย่างนี้อยู่เฉยๆก็จะอะไรของอะไรมันก็จะหล่นใส่หัวอะไรประเภทเนี้ไม่มีใครเจตนามันจะเป็นทำนองเนี้เนเ ย, อ ย, อยเออก็นั่นแหละก็ก็ไม่เจตนา <c oughs> ก็ไม่เป็นไร <c oughs> แต่เราพิจารณาอย่างนี้เราก็จะรู้จักว่าโอ้วัตฏสงสารมันไม่น่าอยู่ไม่น่ามาเกิด เพื่จะยกขึ้นสู่วิปัสสนาไปสู่ทางปัญญาไปไม่ใช่ไปเศ้าหมองอยู่กับกรรมที่กรทกะทพระเจ้าบอกว่าหากจิตไปเศร้ามองอยู่กับกรรมที่กระทำจิตนั้นจะไม่ถึงความเจริญหนึ่งอย่าตามอย่าตามกล่าวโทษตนเองในกรรมที่กระทาไว้แล้วโง่ ม, มาอย่างนั้นนะไม่เกิดประโยชน์ถ้าจะกล่าวโทษให้กล่าวโทษวัาตสงสารการยึดไว้ตายเกิดเพราะเรายังหาข้อยุติกับการเกิดไม่ได้จึงเกิดการใช้ชีวิตอย่างเนี้ยการใช้ชีวิตก็เป็นเรื่องธรรมดาก็ มันเป็นวิถีของการป่อเวีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่เราไม่ไม่ยินดีในการป่อเวีอย่างนั้นจิตอย่าไปเศร้าหมองกับเรื่องพวกนั้นถ้าจิตยังเศร้าหมองกับเรื่องของนร้นผู้เจ้าว่าไม่เป็นจิตที่ไม่ควรแก่การประพฤติธรรมคือประพฤติธรรมก็ไป็เจริญถ้าสลัดออกจากเรื่องพวกนั้นออกมาปั๊บตั้งจิตใหม่จิตก็ผ่องใสแล้วเมื่อจิตผ่องใสผู้เจ้าว่าควรแก่การกระทำควรแก่การประพฤติธรรมสร้างคุณงามความดีในศาสนาก็สร้างไปได้ แต่้าไปติดอยู่ความเศร้าหมองเก่าๆเนี่ยเราไม่น่าเลยไม่น่าเลยอยู่นั่นเสียหายผู้เฒ่าบอกไม่มีประโยชน์การตามกล่าวโทษตัวเองอยู่เสมอๆเนี่ยผู้เจาไม่สรรเสริญการทำจิตให้พ้นจากอารมณ์ที่ดับไปแล้วผู้เฒ่าบอกว่าเป็นสิ่งที่ควรกระทำนะยกจิตออกมาอย่าไปติดอยู่อย่าไปคล้องอยู่อย่างเงี้ยอย่าไปรู้สึกผิด กับเรื่องที่ตัวเองไปทําผิดไปรู้สึกผิดรู้สึกผิดนี้ไม่เกิดประโยชน์แต่สํานึกผิดเนี่ยเกิดประโยชน์รู้สึกผิดต่างกันนะรู้สึกผิดนี้มันจะดึงเราให้อยู่กับอารมณ์อันนีผิดแต่สํานึกผิดทําให้เราพ้นจากอารมณ์เพราะเราจะสามารถพัฒนาตัวเองไปได้อาจารย์การเพ่งโทษผู้อ่นนะพระเจ้าบอกว่าการเพ่งพทษผู้อื่นจะนํามาซึ่งอาสาบัทั้งหลายอาสาบัที่ไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะครอบคลุมมากขึ้น การหยุดการเพ่งโทษกันได้อสะวะก็สงบอาสะวะใดที่ไม่เกิดก็จะไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็จะสงบเลื่นดับสลายไปเลยเพราะไม่เพ่งโทษนี่คือคุณค่าหากนึกถึงคุณค่าของการไม่เพ่งโทษแล้วว่ามันสามารถทำลายอาสะวะได้ก็อย่าเพ่งโทษใครๆนะจบเรียง <laughs> ยังไม่จบจบยัง รีบมาก็จะรีบไป ก, ก็อย่างนี้เลยฟังทำต้องให้เวลาหน่อยพี่คนเทศถัดขั้นยังไม่ดีไวยเนาะ อ, อ่ะพอแล้วเขาสมควรแก่เวลา